ผมเกิดไม่สบายขึ้นมาผมก็ไม่กล้าบอกคุณหญิงเพราะเชื่อว่าคุณหญิงคงจะไม่ช่วยอะไรแน่ผมต้องการยาสักเม็ดสองเม็ดผมก็ยังไม่กล้าที่จะให้บุญคำไปขอตรงๆกลัวจะไม่ได้มาดารินเชิดหน้าร้องฮึกจ้องดูเขาด้วยแววตาคุนข้องเน้นเสียงตัวเองเป็นคนใจดําอมหิดอยู่แล้วก็เลยนึกว่าคนอื่นเขาจะเป็นอย่างตัวใช่สิฉันมีความรู้สึกเช่นที่คุณรู้ตัวดีอยู่นั่นแหละ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 หวังว่าคงจะไม่เอาไปทำเป็นเครื่องราชบรรณาการให้ใครแล้วตัวเองต้องมาห่มกระสอบอีกนะรพินยันกายลุกขึ้นอย่างรวดเร็วหญิงสาวกำลังจะพะออกเดินหันกลับมาเริคิ้วอ้าวบอกให้นอนลุกขึ้นมาทำไมผมจะไปส่งคุณหญิงคนไข้ไม่ต้องไปส่งหมอหรอกผมเป็นปกติเรียบร้อยดีแล้วนี่จะออกท่าอวดดีขัดคาสั่งอีกแล้วเลอ ระพินไผ่มือกว้างออกไปแล้วทิ้งลงข้างตัวสุดลงตามเดิมอย่างจำนวนดาเรนยิ้ม ร, รื่นดีมากขอให้หน้าเอนดูอย่างนี้ตลอดไปนะอ้าวแล้วจะนั่งทำหน้ายุ่งอยู่อย่างนี้ทไมกานอนสิถึงนอนก็นอนไม่หลับน่าจะหลับได้อย่างสบายและเป็นสุขที่สุดแง่ท า, ายร้องเพลงก่อไม่ฟังอยู่นั่นถ้าจะไม่หลับ ก็ไม่หลับเพราะเสียงเพลงของเจ้าองค์รักคนโปรดของคุณหญิงนั่นแหละทำไมนี่มีจิตใจกระด้าง จ, จนกระทั่งไม่ชอบเสียงเพลงเชียวล่ะแงซ า, ายออกร้องเพลงเพราะใช่เจ้ากาลเวกเสียงหวานนั่นร้องเพลงได้เพราะมากแต่ความหมายของมันทำให้หลับไม่ลงหล่อนหันไปมองดูทางเงาสรวรลางหน้าเต็นท์อันเป็นที่มาของเสียงเพลงแล้วหันกลับมาถามว่า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 เดี๋ยวนี้มาลิบทีเดียวชายยานยกมือไหว้ปกปลกจ้าจ้า ก, กลัวแล้วแม่แม่มดผู้วิเศษแม่ราชินีแห่งประเทศหล่มช้างผู้มีนายกรัฐธมนตตีชื่อขยินพระผาสิเล่นยึดอำนาจเผด็จการหมดทุกอย่างก็อยากปากเสียทำไมละ่ะเขาช่วยจัดแต่งบ้านให้อยู่สบายสบายยังมาทำพูดโน่นพูดนี่ยั่วโมโหอยู่ได้อดีตนายทหารปืนใหญ่เกาหัวบ่นพึม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 เชิถามกับชายยันไม่ทราบเรื่องมาก่อนหน้าตื่นถามมาเป็นเสียงเดียวกันทําไมหรือน้อยทําไมราคาพี่ใหญ่หล่อนล้องเบาๆตาคุณส่อแววหงุดหงิดกับฟัดกเียฟตอนดึกของเมื่อคืนที่แล้วย่อชายนายรพินคนดีของพี่ใหญ่เกือบจอดไปแล้วมาเลเลียเล่นเสียงงอมตอนที่น้อยออกไปพบนะ่าไม่มีสติแล้วสั่นเป็นเจ้าเข้าน้อยบุญคามแง่สายปั้มกันภาคใหญ่กว่าจะเอาไว้อยู่ เพิ่งจะจับได้เมื่อค่ำคืนนี้เองว่าเขามีโรคประจำตัวอยู่เรื้อรังมานานทำท่าจะไม่ค่อยดีนักพี่ชายกับเพื่อนมีอาการตกใจในทันทีที่ได้ยินหลอนพูดแล้วพินเป็นมาเรียเหรอเช็ดาอุทานดาลินหัวเราะแคนแคนขนาดหนักด้วยค่ะแต่เขาไม่ยักบอกให้น้อยรู้สักนิดว่าเขามีโรคประจำตัวอยู่ทั้งๆ ท, ที่น้อยก็เป็นหมอเมื่อคืนนี้ดีที่ออกไปพบเขาเองถึงได้รู้ขึ้น ไอโรชชนิดนี้เวลามันไม่สัมแดงอาการขึ้นก็เหมือนคนดีๆทั่วไปมองไม่เห็นวี่แววเลยแต่บทมันจะแผลงฤทธิ์ขึ้นมาเมื่อไหร่ก็ทําเอาย่ำแย่บางทีก็หนักถึงขั้นหมดสติแล้วแต่ขนาดของมันอีกอย่างหนึ่งมันไม่เลือกเวลาหรือเปิดโอกาสให้รู้ตัวล่วงหน้าสิ ด, ด้วยเวลามันจะจับขึ้นมามันก็ปรับเป็นขึ้นมาอย่างกระทันหันเหมือนพวกลมบ้าหมูนั่นแหละโชคดีเหลือเกินตอนที่หลงป่าอยู่กับน้อยเพียงสองคน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 เหมือนต้องการจะทำบรรยากาศให้อยู่ในสภาพปกติแล้วก็บอกมาด้วยสีหน้ายิ้มๆน้ำเสียงเรียบว่าไอ้ยักษ์ตัวนั้นป้วนเปี้ยนเข้ามาใกล้หมู่บ้านแล้วครับคำพูดของพรานใหญ่ธรรมดาที่สุดแต่เลือดในกายของทุกคนแทบจะจับเป็นก้อนแข็งพากันยืนตะลึงงานไปชั่วขณะแง่สายก้าวพูดเข้าไปคว้าคันธนูกับลูกซึ่งติดในโตเตรียมพร้อมอยู่แล้วการเคลื่อนไหวของคนใช้ชาวดงนั่นเอง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 มิหนำซ้ำยังเป็นเวลากลางวันมองเห็นอะไรได้ถนัดที่สุดเท่าที่สังเกตเห็นมันพยายามบ่ายหน้าใกล้เข้ามาอย่างเงียบที่สุดลงแบบนี้มันเอาเราแน่หัวหน้าคณะว่าหันไปมองดูแงสายผู้กำลังตรวจสอบลูกธนูติดระเบิดอยู่อย่างที่ท่วนแล้วเปลี่ยนสายตาไปจับอยู่ที่ระพินอีกครั้งยิ้มเยือกเย็นเหมาะที่สุดแล้วระพินไอ้ยักษ์ใหญ่เข้ามาได้ตรงตามแผนที่เรากาหนดไว้ก่อนเวลาอันควรใช่อีกว่าแต่คุณจะเอาอยัางไง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 ไปเราไปด้วยกันดาลินบอกมาด้วยน้ำเสียงกล้าวกลางวานเต็มไปด้วยความเด็ดเดี่ยวอาจหาญช่วยทำให้กำลังใจของขยินดีขึ้นแดดอันแรงกล้ายามเที่ยงวันบัดนี้มืดคืมลงด้วยพยาบฝนลมสงัดแม้แต่ใบไม้ก็ไม่กระดิกบรรยากาศกดต่ำค้นหนักปกคุมไปตลอดทั้งหลเขาอันเป็นที่ตั้งของหมู่บ้านมีเสียงฟ้าคำรนแววมาจากหุนเขาใหญ่เบื้องหน้า ประหนึ่งเสียงบนยังหุดหงิดของอสูรพรานใหญ่พยักหน้ากับหัวหน้าบ้านข้ายินก็ออกเดินนำไปในบัตรนั้นโดยไม่มีใครปิดปาพูดคำใดกันอีกตัดท้ายหมู่บ้านด้านตะวันตกเฉียงใต้อันเป็นเวีนไร่กล้วยออกเครือดกต่เนินขึ้นสู่ไห่ขาวลูกเล็กๆลูกหนึ่งอันเป็นภูเขาที่แงสายทดลองยิงธนูเมื่อวานนี้พอพ้นเขตหมู่บ้านขึ้นสู่เนินฝนก็เริ่มโปรยเป็นระอองลงมา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 ส่งสายตาเป็นคำถามมาถ้าฝนตกหนักบนภูเขาลูกนี้เราจะลำบากจอมผ่านพูดเบาๆยกมือข้างหนึ่งขึ้นชูแบรรับลมพร้อมทั้งสังเกตไปรอบๆด้านผมก็กำลังคิดอยู่เหมือนกันมันเล่นมาพร้อมกับพายุฝนอย่างนี้เราแย่จะอาศัยฟังเสียงอะไรไม่ได้เลยเพราะเสียงพายุกลบหมดพวกเราเดินกันสองตีนมันไม่มีตีนแต่ใช้เลื้อยไปมันได้เปรียบเราแน่ น่าแปลกเหมือนกันนะแดดออกเปรี้ยงอยู่ไม่เตอกี้หยกหยกไม่มีเขาฝนสักนิดพอไอ้เจ้านี่เลื้อยมาเท่านั้นทั้งฝนทั้งพายุมืดมาเลยชายยันกระซิบ ต, ตอบมาด้วยความรู้สึกคล้านใจอย่างไรพิกลและพิมพ์เม้นฝีปากระหว่างที่เขาอยู่ในาการเหมือนจะติดต่อใครครวนเพื่อการตัดสินใจในบางอย่างนายจ้างทั้งสองได้ยินเสียงขยีนส่งภาษาอะไรกับพรานใหญ่เรือปรือสันรัวแต่ดูลักษณะเขาไม่สนใจอะไรกับคําพูดของขยีนนักคงเคร่งอยู่กับการสังเกตอากาศอยู่เช่นนั้น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 พูดตลอดเวลาไม่เคยกินเกี่ยวกันได้สนิทในด้านวาจาจึงได้แต่จ้องหน้าเฉยซึ่งละพินก็ไม่ได้หันมาสนใจอะไรทันใดนั้นแย่สายเพื่อยืนห่างออกไปทางด้านหนึ่งก็ก้าวตรงเข้ามาชี้มือให้ทุกคนดูเมฆดำก้อนใกล้ที่พัดผ่านทิวเขากระจายไปทางด้านเหนือลมบนแรงมากพัดไปทางเหนือหอบเมฆก็นนั้นผ่านไปแล้วฝนคงตกบริเวณ น, นี้ไม่มากนักแต่พายุ ค, คงไม่สงบลงง่ายๆภายในชั่วโมงนี้ เราจะเข้าถึงตัวมันได้ลาบากเท่าๆกับที่ฟังเสียงมันไม่ได้ด้วยและวพินแย้งต่าๆเอาลาเสียงดูถ้าเห็นจะไม่ได้การค่อยถอยลงไปดักมันที่ชายเนริมหมู่บ้านชายยานตัดสินมาทั้งหมดเคลื่อนที่ต่อไปอย่างรวดเร็วบ่ายหน้าไปทางเช ง, งอนสูงตอนหนึ่งอันเป็นตําแหน่งที่เราพิณและพวกชาวบ้านแหลเห็นเงาของอสูรดึกดาําบรนเลออื้อยอยู่ยังเชิงเขาฝ้าตรงข้ามฝนยังโคลยโปรยเป็นม่านระอองขาวมัวอยู่เช่นนั้นทัศนวิสัยเร็วเต็มทน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 ระยะเวลามันห่างกันไม่ถึงครึ่งชั่วโมงมันนี้เองถ้ามันจะเลื้อยจริงๆป่านนี้ไปถึงหมู่บ้านแล้วผมจึงคิดว่ามันคงจะป้วนเปี้ยนอยู่แถวตีนเนินข้างล่างนั่นเองตรงตีนเขาป่าทึบกว่าตอนบนถ้ามันลงมาแล้วและหลบนิ่งอยู่เราก็ไม่มีทางจะเห็นตัวมันได้ชายยันบอกอย่างหนักใจกว่าสายตาสำรวจต่ำแล้ว ล, ลงมาจนถึงบริเวณตีนเนินเขาวรูกนั้นอันปกคลุมไปด้วยหมู่ไม้แน่นทึบลักษณะคล้ายจะเป็นหุบ สายตาอีกสี่คู่ก็ช่วยกันกวาดหาอย่างระมัดระวังระยนะนั้นห่างออกไปเพียงไม่เกินหนึ่งพันเมตรเท่านั้นจากที่ทุกคนยืนอยู่